วิหารธรรมของมนุษย์ที่เลิศมนุษย์ีประเสริฐเรียกว่าพรหมวิหารสี่ประการพระพุทธเจาก็อธิบายเกี่ยวกับเมตตาครุณามุติตาอุเบกขาคุณธรรมสี่ประการนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราและมีประโยชน์ต่อการเจริญสติปัฏฐาน มีอุปการะต่อการปฏิบัติมาแค่ไหนเรื่องนี้ทาพวกเราศึกษาธรรมะอย่างใครจิตศึกษาธรรมะอ่านธรรมะฟังธรรมะโดยตั้งสติสัมปชัญญนะจะได้รู้ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่ว่าคุณธรรมที่นอกการปฏิบัติมันเป็นอยู่ใน การปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาว่าช่วงหลังๆเข้าเวลาเราปฏิบัตินะ่ะจากปรินิบานของพระบรมศาสดามัธยาลังเวลาอธิบายการปฏิบัติก็ก็แยกกรรมฐานบางอย่างก็เป็นสมถะบางอย่างก็เป็นวิปัสสนาบางคนก็มาดูถูกดูมิน่ะ กลัวกับการเจริญทำให้จิตสงบกลายเป็นว่าเรื่องที่โอแบบในสายตากรงบางกรงก็แบบเสียเวลาเรื่องที่อันตรายเดียวจะไปหยุดมันถือมันแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือถ้าความสงบไม่มีแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่คือหนีบรทางภายในจิตใจถ้าไม่มีความสงบ สมาธิไม่มีความสงบไม่มีแสดงว่าในถีนั้นมีนิบุรธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อศรัทธาสบิริยะสติสมาธิปัญญาตื่นอยู่นิวอนห้าหลับอยู่เมื่อะจะนิวอนห้าตื่นอยู่ศรัทธาสบิริยะสติ สมาธิปัญญาลับอยู่ถึงมจะบอกระวบอกว่าสัทธาวิดยาสัตยทสมาธิตื่นอยู่ไม่ใช่ว่าทางห้าประการทื่นนิวทีเดียวนะโยบปกติก็กังและมีอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นกว่าชัดกว่าเห็นได้มากกว่าสัทธาบิดยา สติสมาธิปัญญาพอเวลาเรียนธรรมะเราก็ได้เรียนว่าอินทรี่ห้าพลาหเราก็รู้สึกว่ามันทั้งหมดที่เดียวมันจะมาเกิดขึ้นทําให้เจริญกุศลและทัปกติก็มีอย่างได้อย่างหนึ่งเด่นกว่าที่เหลือก็เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับปรมาภิหารสีประการก็แบบนี้เลย บางครก็อธิบายว่าพรหมวิหารสีประการแม้สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่อุบัติเกิดขึ้นก็มีแต่ปรหมวิหารของบรรดาสาวกกมินอีกระดับหนึ่งว่าพรหมวิหารของบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะได้เห็นทุก์ได้เห็นความแค่เจ็บตายได้เห็นสัจธรรมสี่ประการ ก็แล้เมตตาเกิดขึ้นระดับหาประมาณมีได้มีเมตตาจิตแด่สัมปัสัตต์ทั้งหลายเพราะสัมปัสัตต์ทั้งหลายมีปัญหาเกิดทุก์เป็นสัจธรรมสาธารณะครับสัมปัสัตต์ทั้งหลายก็แล้วก็เมตตาจิตเกิดขึ้นสําหรับก่อนนี้มีเมตตาคนนั้นไม่มีเมตตาไม่ได้เกิดจึิงอย่างนั้นเพราะอะไรได้เห็นสัจธรรมรู้ว่า ถ้าใครอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ตั้งแต่นรกถึงพรทมรรกสัตตังปวงมีความแค่เจ็บตายเป็นธรรมดารู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนได้เห็นได้รู้ ก, ก็เลยก็ดเมตตาจิตเกิดขึ้นการุณาจิตเกิดขึ้นถ้ามีทุกข์ขนาดนั้นเวลาเขาได้สุขนี่เลยมุติตาจิตเกิดขึ้น แล้วก็มีอุเบกขาจิตเกิดขึ้นทั้งสีประการมันเกิดจากการเห็นสัจธรรม